โจทะเกณปัจจเวขีตพะธรรมะว่าด้วยคุณสมบัติที่ผู้โจทย์พึงพิจารณาท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่น พึงพิจารณาคุณสมบัติภายในตนเท่าไรจึงจะโจทย์ผู้อื่นได้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาคุณสมบัติภายในตนห้าอย่างแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นคือหนึ่งภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่น พึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเรามีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์หรือหนอเราประกอบด้วยความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ไม่เสียหายไม่บกพร่องคุณสมบัติข้อนี้เรามีอยู่หรือไม่มีหนอถ้าภิกษุไม่ใช่ผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ประกอบด้วยความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ ไม่เสียหายไม่บกพร่องพิกษุผู้โจ์นั้นย่อมถูกตอบโต้ว่าเชิญท่านสำเนีกความประพฤต ท, ทางกายเสียก่อนเถิดพิกษุผู้โจ์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้สองอันหนึ่งพิกษุผู้โจ์ประสงค์จะโจ์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้เรา มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์หรือหนอเราประกอบด้วยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ไม่เสียหายไม่บกพร่องคุณสมบัติข้อนี้เรามีหรือไม่มีหนอถ้าภิกษุไม่ใช่ผู้มีความประพฤติทางว oui. าจาบริสุทธิ์ประกอบด้วยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ไม่เสียหายไม่บกพร่องภิกษุผู้โจดนั้น ย่อมถูกตอบโต้ว่าเชิญท่านสำเนียกความประพฤต ท, ทางวาจาเสียก่อนเถิดภิกษุผู้โจ์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้สอันหนึ่งภิกษุผู้โจ์ประสงค์จะโจ์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้เรามีเมตตาจิตไม่อาฆาตพยาบาทเพื่อนพรหมจารีหรือหนอ คุณสมบัติข้อนี้เรามีหรือไม่มีหนาถ้าภิกษุไม่ใช่ผู้มีเมตตาจิตไม่อาฆาตพยาบาทเพื่อนพรหมจารีภิกษุผู้โจ์นั้นย่อมถูกตอบโต้ว่าเชิญท่านมีเมตตาจิตในเพื่อนพรหมจารีเสียก่อนเถิดภิกษุผู้โจ์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้ส อันหนึ่งภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นพรหูสูตรทรงสุดตักมีการสั่งสมสุตักหรือหนอเราได้สะดับมากทรงจำได้แม่นยำคล่องปากขึ้นใจรู้ชัดด้วยปัญญาซึ่งทำงามเบื้องต้นงามท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอัดถกพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่หนอคุณสมบัติข้อนี้เรามีหรือไม่มีหนอถ้าภิกษุไม่ได้เป็นพระหูสตรทรงสุดตักมีการสั่งสมสุดตักได้สดับมากทรงจำได้แม่นยำคล่องปากขึ้นใจรู้ชัดด้วยปัญญาซึ่งทำงามเบื้องต้นงามท่ามกลาง งามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนภิกษุผู้โจรนั้นย่อมจะถูกตอบโต้ว่าเชิญท่านศึกษาพระปริยัติเสียก่อนเถิดภิกษุผู้โจรนั้นย่อมจะถูกตอบโต้อย่างนี้หอนหนึ่งภิกษุผู้โจร ประสงค์จะโจ์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้เราทรงจำปาติโมกทั้งสองได้แม่นยำโดยพิสดารจำแนกถูกต้องจัดระเบียบถูกต้องวินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะหรือหนอคุณสมบัติข้อนี้เรามีหรือไม่มีหนอ ถ้าพิสุไม่ใช่ผู้ทรงจำปาติโมกทั้งสองได้แม่นยำโดยพิสดารจำแนกถูกต้องจัดระเบียบถูกต้องวินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะภิกษุผู้โจท์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้ว่าเชิญท่านศึกษาพระวินัยให้ชำนาญเสียก่อนเถิดภิกษุผู้โจท์นั้นย่อมจะถูกตอบโต้ อย่างนี้อุบาลรีภิกษุผู้โจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาคุณสมบัติภายในตนห้าอย่างนี้จึงโจทย์ผู้อื่น